สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิสยาพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในคิดืปเยซูตอนที่สามร้อยสี่สิบสองเรื่องพรปเยซูทรงเป็นความสว่างของโลกโปรดฟังพระเชนะของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งยอนบทที่แปดข้อสิบสองจนถึงข้อที่ยี่สิบอีกครั้งหนึ่งเปเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามา จะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตพวกฟาริสียังกล่าวกับพระองค์ว่าท่านเป็นพยานให้แก่ตัวเองคําพยานของท่านไม่เป็นความจริงเพียสุตรัตอบว่าแม้เราเป็นพยานให้แก่ตัวเราเองคำพยานของเราก็เป็นความจริงเพราะเรารู้ว่าเรามาจากไหนและจะไปที่ไหน แต่พวกท่านไม่รู้ว่าเรามาจากไหนและจะไปที่ไหนท่านทั้งหลายย่อมพิพากษาตามทางของโลกเรามีได้พิพากษาผู้ใดแต่ถึงแม้ว่าเราจะพิพากษาการพิพากษาของเราก็ถูกต้องเพราะเราไม่ได้พิพากษาโดยลําพังแต่เราพิพากษาร่วมกับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาในธรรมบัญญัติของท่านก็มีคําเขียนไว้ว่าคําพยานของคนสองคน ก็เป็นที่เชื่อถือได้เราเป็นพยายนให้แก่ตัวเราเองและพระบิดาผู้ทรงใช้ออกมาก็เป็นพยายนให้แก่เราด้วยเหตุฉะนั้นเขาจึงทูลปรงว่าพระบิดาของท่านอยู่ที่ไหนพระเยซูตรัสตอบว่าตัวเราก็ดีพระบิดาของเราก็ดีท่านทั้งหลายไม่รู้จักถ้าท่านรู้จักเราท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วยพระเยซูตรัสคําเหล่านี้ที่คลังเงิน เมื่อกําลังสั่งสอนอยู่ในบริเวณพระวิหารแต่ไม่มีผู้ใดจับกลุ่มพระองค์เพราะว่ายังไม่ถึงกําหนดเวลาของพระองค์พี่น้องครับในชาวันนี้พระเยซูทรงเป็นความสว่างของโลกในขณะเดีวยวกันครับเมื่อพระเยซูตรัสสอนเรื่องต่างๆเหล่านี้พระเยซูย้ําเน้นนะครับผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต และประเด็นต่อไปในข้อ13จนถึงข้อที่20นะครับก็จะพูดถึงเรื่องการให้เหตุผลเพื่อที่จะโต้แยง้งคนยิวหรือพวกฟาดิสีที่กำลัง discredit พระเยซูและคำสอนของพระองค์คำพยานของพระเยซูนั้นพวกเขาไม่ถือว่ามีน้ำหนักเพราะาอะไรครับเพราะว่าเขากำลังตีความหมายคำว่าพยานนะครับ พยานต้องเป็นให้กับคนอื่นแต่นี่พระเยซูเป็นพยานให้แก่ตัวเองเพราะฉะนั้นเขาก็สรุปว่าคำพยานของท่านไม่เป็นความจริงแต่พระเยซูก็ได้โต้แย้งพวกเขาบอกว่าแม้ว่าพระเยซูนั้นจะเป็นพยานให้แก่ตัวเองแต่ยังไงก็ตามครับคาพยานของพระองค์ก็เป็นความจริงเพราะอะไรครับเพราะพระเยซูมาจากพระเจ้าพระบิดาและพระเยซูก็จะกลับไป หาพระเจ้าพระบิดาแต่คนเหล่านั้นไม่รู้ครับเมื่อคนเหล่านั้นไม่รู้แต่พิภากษาก็กลายเป็นอะไรครับก็กลายเป็นผู้พิพากษาที่อัรรมแต่พระเยซูกำลังบอกว่าพระองค์นั้นจะพิพากษาแต่พระองค์ยังไม่พิพากษาใครครับในเวลานั้นและการพิพากษาของพระองค์ก็จะถูกต้องเพราะพระองค์พิพากษาร่วมกันกับ พระบิดาอันนี้คือถือว่าเพอร์เฟกที่สุดครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อพระเยซูพูดอย่างนี้เราเองจะเชื่อในคำของพระเยซูรอยเปอร์เซ็นไหมครับเราจะเชื่อฟังพระเยซูมากน้อยขนาดไหนเพราะเหตุที่ว่าพระเยซูนั้นทรงมีพระบิดาบนสวรรค์นั้นเป็นผู้ที่การันตีเพราะว่าพระเยซูนั้นพูดอย่างนี้นะครับบอกว่า ในธรรมบัญญัติของท่านก็มีคำเขียนไว้ว่าคำพยานของคนสองคนก็เป็นที่เชื่อถือได้เราเป็นพยานให้แก่ตัวเองและพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาก็เป็นพยานให้แก่เราด้วยนะครับชัดเจนนะครับว่าพระบิดานั้นทรงอยู่ฝ่ายพระเยซูและพระองค์อยู่ฝ่ายพระบิดาครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระบิดาพูดก็คือสิ่งที่พระเยซูพูดนะครับพวกเขาไม่รู้จักพระบิดา เพราะฉะนั้นพวกเขาก็ไม่รู้จักพระเยซูเช่นเดียวกันครับในสมัยนี้เราจะรู้จักพระบิดาได้เราก็ต้องรู้จักพระเยซูก่อนครับและถามว่าพระเยซูนั้นเรารู้จักได้อย่างไรคำตอบก็คือพระเยซูนั้นเรารู้จักด้วยการอ่านพระชนะของพระเจ้าด้วยการฟังเรื่องราวพระกิตติคุณในพระชนะของพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระกัมพีใหม่พูดถึงพระเยซูชัดเจนว่าพระองค์เป็นใครและในพระกัมพีเดิมก็อ้างอิง คำพยากรณ์เยอะแยะมากมายครับที่เล่งถึงพระเยซูพี่น้องครับพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าในเวลาเดียวกันพระองค์ก็ถ่อมพระองค์ลงเชื่อฟังพระบิดาและพรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระบิดาพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นหลักคำสอนหลักข้อเชื่อของพวกเราในทุกวันนี้พระเยซูเป็นพระเจ้าครับและในเวลาเดียวกันพระบิดาทรงใช้พระเยซูมา เพื่อที่จะประกาศข่าวประเสริฐเพื่อที่จะสิ้นประชนแทนพวกเราบนไม้กางเขนเพื่อที่จะกำจัดผลหรือค่าแจ้างของความบาปเพราะฉะนั้นคนที่ติดตามพระเยซูเนื่องจากโปรงนั้นเป็นความสว่างพระเยซูบอกว่าผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดครับเพราะฉชีวิตของคริสเตียนหรือชีวิตของสาวกของพระเยซูเดินอยู่ในความสว่างนะครับ โปร่งใสมีธรรมิบาลและมีหลักการดำเนินชีวิตชัดเจนครับในวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของคำว่าตามเพราะพระเยซูพูดว่าคำผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดเพราะภาษากรีกครับคำว่าตามนี้คือคำว่าอะโคลูเทียนอะโคลูเทียนเอ o ค o อออู th e i n a k o l o u t h e i n อะโคลูเทียนมีความหมายห้าประการครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าทำไมเราจะต้องอ้างอิงภาษากรีกอยู่บ่อยๆเพราะเหตุที่ว่าความหมายของภาษากรีกนั้นลึกซึ้งอย่างยิ่งและภาษากรีกนั้นเป็นภาษาที่มีพื้นฐานจากความคิดปรัชญาเพราะฉะนั้นเขาจึงมีความหมายหลายอย่าง นะครับยกตัวอย่างเช่นอะคาเป้มีความหมายเยอะมากนะครับหรือความรักก็มีความหมายเยอะมากนะครับคำว่าตามก็มีความหมายห้าอย่างที่แตกต่างกันแต่เกี่ยวโยงกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะฉะนั้นภาษากรีกนี้เราจ้องไปดูเรื่องของความหมายของการใช้ภาษาใช้คำครับคาคานี้ช่วยให้เราประจักษ์ถึงความสาคัญของคำว่าตามที่ยูประสงค์ อยากจะได้จากพวกเราผู้ติดตามพระองค์มีห้าประการด้วยกันครับหนึ่งทหารทหารนี้มีหน้าที่ตามผู้บังคับบัญชาหรือผู้นําของตัวเองไม่ว่าผู้บังคับบัญชาจะสั่งให้ไปไหนเดินไปไหนทหารต้องเดินตามครับผู้บังคับบัญชาบัญชาให้ทำอะไรทหารก็ต้องทำตาม อันนี้คือคำว่าตามครับ น, นี่สองครับเป็นภาพของทาสครับทาสหรือผู้รับใช้ที่ติดตามผู้เป็นนายพร้อมที่จะปล้ิบัตร์รับใช้ตลอดเวลานะครับสามครับพูดถึงการยอมรับความคิดเห็นหรือมติของที่ปรึกษาผู้ชาญฉลาดเวลาที่บริษัทของเราเนี่ยมีที่ปรึกษา เมื่อที่ปรึกษาลงความเห็นออกความเห็น CEO หรือผู้บริหารบริษัทนั้นจะต้องตามครับจะต้องทำตามอันนี้คือที่ปรึกษานะครับตามความหมายที่สี่ก็คือภาพของกฎหมายบ้านเมืองที่จะต้องทำตามนะครับเชื่อฟังให้ความสำคัญ และถือรักษากฎหมายบ้านเมืองเป็นที่ตั้งและภาพที่ห้าครับก็คือครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่เราจะต้องติดตามคำสอนของท่านหรือติดตามศรัทธาชีวิตคำพูดการกระทำของผู้หนึ่งผู้ใดอย่างตั้งใจอย่างจริงใจและพร้อมที่จะเชื่อฟัง ในทุกๆรายละเอียดนี่นครับผมเน้นคาว่าทุกๆรายละเอียดนี่คือความหมายทั้งห้าอย่างของคาว่าตามกับอะโครูเทียนความหมายเหล่านี้ครับพี่น้องครับเราสามารถนำมาใช้หรือนำมาประยุกต์กับชีวิตของพวกเราผู้ที่จะติดตามพระเยซูคนที่จะติดตามพระเยซูได้โดยไม่ต้องไท่ถามอะไรทั้งสิ้น ผู้นั้นก็มีคุณสมบัติเหมาะสมครับคนที่ติดตามพระเยซูได้โดยมีความพร้อมที่จะปฏิบัติรับใช้พระองค์ตลอดพร้อมเสมอทุกเวลาคนที่จะยอมรับมติและคาแนะนาปรึกษาจากพระเจ้าได้โดยไม่มีการโต้แย้งพร้อมที่จะเชื่อฟังโดยไม่มีข้อสงสัยข้องใจและพร้อมที่จะรักษาพระเจนนของพระองค์ คำเตือนของโปรงกฎเกณฑ์กฎหมายกฎบัญญัติของโปรงอย่างตั้งใจในหลายรายละเอียดพี่น้องครับทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากขอให้เกิดกับชีวิตของพวกเราผู้ที่ตามพระเยซูผมขอทบทวนนะครับภาพของทหารภาพของทาสภาพของผู้บริหารที่ต้องเชื่อฟัง ที่ปรึกษาภาพของการเชื่อฟังกฎหมายบ้านเมืองภาพของการติดตามคำสอนของครูบาอาจารย์หรือชีวิตของผู้ที่เป็นผู้สอนเราโดยละเอียดอาเมน